จำแนกโดยลำดับขณะการคิดจำแนกแบบนี้คือแยกยะวิเคราะห์ปรากฏการตามลำดับความสืบทอดแห่งเหตุปัจจัยสอยออกไปเป็นแต่ละขณะแต่ละขณะให้มองเห็นตัวเหตุปัจจัยที่แท้จริงไม่ถูกลวงให้จับเหตุปัจจัยสับสนการคิดแบบนี้เป็นด้านหนึ่งของการคิดจำแนกโดยส่วนประกอบ และการคิดจำแนกตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยแต่มีลักษณะและการใช้งานพิเศษจึงแยกออกมาแสดงเป็นอย่างหนึ่งเป็นวิธีที่ใช้มากในฝ่ายอภิธรรมตัวอย่างเช่นเมื่อโจรขึ้นปล้นบ้านและฆ่าเจ้าทรัพย์ตายคนทั่วไปอาจพูดว่าโจรฆ่าคนตายเพราะความโลภคืออยากได้ทรัพย์เป็นเหตุให้ฆ่าเจ้าทรัพย์ คำพูดนี้ใช้ได้เพียงในฐานะเป็นํำนวนพูดให้เข้าใจกันง่ายๆแต่เมื่อวิเคราะห์ทางด้านกระบวนธรรมะที่เป็นปายภายในจิตอย่างแท้จริงอาเป็นเช่นนั้นไม่ความโลภเป็นเหตุของการฆ่าไม่ได้โทสะจึงเป็นเหตุของการฆ่าได้เมื่อวิเคราะห์โดยลำดับขณะแล้วก็จะเห็นว่าโจโลภอยากได้ทรัพย์ แต่เจ้าทรัพย์เป็นอุปสรรคต่อการได้ทรัพย์นั้นความโลภจึงเป็นเหตุให้โจรมีโทสะต่อเจ้าทรัพย์โจรจึงฆ่าเจ้าทรัพย์ด้วยโทสะนั้นโจรโลภอยากได้ทรัพย์อาได้โลภอยากได้เจ้าของทรัพย์แต่อย่างใดไม่ตัวเหตุที่แท้ของการฆ่าคือโทสะอาใช่โลภะไม่โลภะเป็นเพียงเหตุให้รักทรัพย์เท่านั้น แต่ปัจจัยให้โทสะเกิดขึ้นต่อสิ่งอื่นซึ่งขัดขวางหรือไม่เกื้อกูลต่อความมุ่งหมายของมันอย่างไรก็ตามในภาษาสามันจะพูดว่าโจรฆ่าคนเพราะความโลภ ก, ก็ได้แต่ให้รู้เข้าใจเท่าทันความจริงในกระบวนธรรมะที่เป็นไปตามลำดับขณะ ด, ดังที่กล่าวมาแล้วว่าความโลภเป็นมูลเป็นตัวการเริ่มต้นในเรื่องนั้นเท่านั้น การแยกแยะหรือวิเคราะห์ด้วยขณะเช่นนี้ทำให้ในสมัยต่อมามีคำเรียกพระพุทธศาสนาว่าเป็นคณิกะวาทะหรือคณิกะวาด